ปุตชาวิสักนาธรรมกับท่านหลวงตานหะลวงศักดิ์ผีนาโยตอนธรรมชาติของสังขารกับวิสังขารผมชื่อเมทีครับก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติาการส่วนมาจะฟังทางอินเทอร์เน็ตลมขับขับศัทุกวันนะครับ ก็ยังอย่างว่าสติในแต่ละวันมันก็ยังทำงานนะครับมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งอะไรหะครับก็แต่ก็ฝึกอยู่ทุกวันนะก็ช่วงนี้งานมันเบาๆก็ว่าจะลองฝึกจริงจังนะครับก็ยังไม่ถึงการ น, นิ่งลงเล็กครับมันไม่ละเอียดบางครั้งมันก็ละเอียดถึงระรับลม ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลึกลครับก็ค <c oughs> ือฟังผนเพลิ น, นแล้วก็ปฏิบัติก็ยังไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ก็พยายามนั่งวันหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโอ้นชั่วโมงก็เก่งแล้ว <c oughs> นั่งชั่วโมงจนถึงว่านั่งเก่งนะแล้วเดี๋ ย, ยวนิ่งนะ เ, อเอาความวรู้สึกตัวครับนั่งก็ให้รู้สึกตัวเดินก็ให้รู้สึกตัวนอนก็ให้รู้สึกตัวทำอะไรก็ให้รู้สึกตัวเดี๋ยวนิ่งเอาความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวอย่าหลงไปกับอะไรถ้ามันรู้ตึกตัวอยู่อยู่กับปัจจุบันอย่ามันหลงไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าปล่อยเพลินใจไปอย่าปล่อยเพลินเป็นนันทินันทิคือความเพลินใจไปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าปล่อยเป็นนันทิเพลินไปให้รู้สึกตัวไว้ในปัจจุบันรู้สึกตัวไว้ในปัจจุบันอย่าไปเอานิ่งเอาสติอย่างเดียวนะครับ ทำไมหลงเพลินไปเนี่ยใจมันก็สงบเองสงบไม่ได้หมายถึงว่าไปทําให้กิริยาการของจิตสงบใจมันจะสงบจากความทุกข์เดือดร้อนแต่กิริยาการของจิตมันไม่ได้สงบแต่ใจเท่านั้นเนี่ยจิตสงบจากความทุกข์เดือดร้อนจิตเขาจะวุ่นวายยังไงแต่ใจมีความสงบจิตจะสงบหรือไม่สงบใจเขาสงบสงบไม่ได้หมายถึงว่าเอคือมันไม่มีผู้ไปเอา สงบก็เอาไม่สงบก็เอาไม่มีใครไปจับไปยึดไปวางแต่แต่รู้แต่แต่รับรู้ตามความเป็นจริงสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเนี่ยใจมันไม่เหลไม่ไหลไปตามมันไม่ปรุงแต่งไปตามใจมันไม่มีเคลื่อนที่ใจมันไม่เคลื่อนที่ใจมันไม่คิดไม่นึกไม่ตึกไม่ต้องใจมันเป็นความไม่ไม่ปรากฏอะไรเลยแต่แต่รู้อันมันสงบมันก็รู้ไม่สงบมันก็รู้ มันไม่ได้เคลื่อนที่อะไรเลยตัวมันไม่เคลื่อนที่สรุปแล้วเนี่ยมันมีแค่สองอย่างคือภายในจิตใจเราเนี่ยมีธรรมชาติฝ่ายหนึ่งคือเป็นธรรมชาติฝ่ายปุกฝ่ายที่เคลื่อนที่ฝ่ายที่ปรากฏอาการฝ่ายที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เขาเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยมันก็เหมือนกับธรรมชาติในโลกเนี่ยในธรรมชาติในจักรวาลเนี่ยมันก็มีธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่ง ธรรมชาติฝ่ายปุงแต่งเนี่ยมันปุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีอะไรมันแต่เดิมแล้วก็ปรากฏขึ้นมามีความมีมันมาแล้วก็แตกดับสลายหายไปสู่ความไม่มีมันดังเดิมทุกสปปรรพสิ่งในโลกในจักรวาล น, นี้ล้วนแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดจักรวาลทั้งจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงดาวโลกอุกาบาตแม้แต่ทุกสปปรรพสิ่งที่อยู่บนผิวโลกนี่รวมทั้งจรวดจานดาวเทียม ล้วนแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งยอมล่องลอยยอมเคลื่อนไหวยอมก่อเครื่อยอมเสื่อมยอมแตกดับยอมทาลายสิ่งไม่ปรุงแต่งมีอย่างเดียวคือความไม่ไม่ปรากฏอะไรเลยความไม่ปรากฏอะไรนั่นแหละเขาเรียกความไม่ปรุงแต่งภาษาเขาเรียกว่าวิสังขารส่วนความปรุงแต่งเรียกว่าสังขาร ธรรมชาติในใจเนี่ยก็เหมือนกับธรรมชาติภายนอกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันทั้งภายในภายนอกเนี่ยธรรมชาติภายในใจเนี่ยไม่ว่ามันจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จิตมันจะเป็นอาการอย่างไรก็ตามแต่มันมีความไม่เคลื่อนไหวอยู่มีมีส่วนที่ไม่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ปรากฏอาการเคลื่อนไหวใดๆเลยสังเกตให้ดีๆมันจะมีอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าจะสัตว์เดรัจฉานเปตดอสุรากายสัตว์นรก เทพเจวดาหรือมนุษย์ปทุชนแม้แต่เจ้าพระอรหันต์ก็มีธรรมชาติภายในภายนอกเหมือนกันภายในจิตใจเราเนี่ยมีธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วก็ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งคือความไม่ปรากฏอะไรเลยมันไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ตัวเราเนี่ยตัวเราทั้งตัวร่างกายเราเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่ง แต่ใจเรากลับเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งสังเกตให้ดีมันอยู่ในตัวเรานี่แน่อยู่ในร่างกายใจิตใจของเรานี่แน่เราไม่ต้องไปรู้ภายนอกหรอกเราสังเกตเราก็จะเห็นได้ว่าในความปรุงแต่งมีความไม่ปรุงแต่งในความไม่พรุงแต่งมีความปรุงแต่งอยู่ในหนังสือในหน้าปกหนังสือเจาคุณนอเล่มหนึ่งหนึ่งเขียนว่าที่ก็เอามาถักพิม ก็มาโคตเวรีนานาปกสื่อท่านว่าจะคุณนอนจักเหรอได้ยินเนาะพระโสดาบันเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาที่พระโสดาบันนะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้นไม่เที่ยงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผุพังต้องสลายต้องแตกหักต้องทําลายไปต้องเสื่อมไปผุพังสลายไปหมดสิ่งกลับขึ้นไปสู่ความไม่มีไม่มีดั้งเดิมไม่มีมันมาแต่ดั้งเดิมนี่คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาพระโสดาบันเห็นแบบนี้ เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมากระเพื่มขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาที่ปรากฏขึ้นมาทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลนี้รวมทั้งตัวร่างกายเราและทั้งจิตใจเราทึ่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ล้วนแต่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา สิ้นคําสอนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เด็ดตัดเทศเป็นครั้งแรกกับปัญจวันกี่ทั้งห้าแสดงธรรมครั้งแรกมีพระพุทธประธรรมพระอายะสงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกในธรรมจักรกับปัจจณบันสุดเดิมมีแต่พระพุทธพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแค่นั้นแหละก็ปรากฏพระพุทธประธรรมพระอายะสงขึ้นพร้อมคือสิ้น การแสดงธรรมธรรมจักวรรษูตรอัญโยโกลสัญญาก็รำพึนขึ้นมาว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติโอมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาหรือปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธรรมดาหรือมีความรู้สึกนึกคิดอะไรหรือกระเพื่อมอะไรขึ้นมาหรือในโลกนี้ทั้งร่างกายเราทั้งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์และทุกสรรพสิ่งในโลกนี้รวมทั้งลูกโลกนี้ทั้งใบและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดรวมทั้งดวงอาทิตย์ ดวงดาโลกุกาบาดรวมทั้งจรวดเลยที่บินไปในฝุในในจักรวาลทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่เที่ยงย่อมเกิดดับย่อมแตกด่อมทำลายแม้แต่โลกเราเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสว่าในวันหนึ่งข้างหน้าละลายหมดทั้งใบเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเหลือพระโสดาบันท่านเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีแสงใหญ่ที่เที่ยงคงที่เลย พรุทธเจ้าได้เทศต่ออนัตตลักษณสูตรต อ, อ่อยพระสูตรหนึ่งพอจบแล้วตอนเทศธรรมจักออรวันสูตรนี่ปัญจวคีทังห้ากับลุกะโสดาบัน ได้พบว่ายามกินจิสมุทิยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติรู้สึกถึงรู้สึกแก่ใจของนแทจริงว่าสิ่งใดจริงหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาทั้งภายนอกตัวเราทั้งร่างกายและจิตใจของเรา<ม>เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามพระพุทธเจ้าเทศอนัตตะรานาสูตร<ม>ก็เห็นว่าในความเกิดดับนั้น เมื่อเมื่อสิ้นผู้ไปยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้เสวยสิ่งที่เกิดดับสิ้นผู้ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เกิดดับนั้นพอเสี่ยวขณะจิตที่สิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เกิดดับนั้นคือสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเรียกว่าสังขารทั้งหมดพอสิ้นผู้เสวยหรือสิ้นผู้ยึดมั่นสังขารเท่านั้นแหละอีกหน้าหนึ่งมันปรากฏขึ้นมาคือวิสังขารคือความไม่เกิดไม่ดับ สิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นย่อมไม่มีการดับตลอดกาลท่านจึงกล่าวว่าพระอรหันต์เห็นความไม่เกิดไม่ดับแต่พระโสดาบันเห็นความเห็นความเกิดความดับแต่พระอรหันต์เห็นความไม่เกิดไม่ดับนั้นความเกิดดับความไม่เกิดไม่ดับเป็อยู่ในร่างกาจิตใจของเรานี่แน่ ในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นสังขารไม่เที่ยงจิตใจของเราความรู้สึกนึกอารมณ์เนี่ยเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงตัวเราทั้งตัวเป็นสังขารไม่เที่ยงแต่ใจของเราเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลเป็นความไม่มีอะไรเลยไม่มีอาการกระเพือ่อมไม่มีอาการไหวตัวไม่มีอาการเกิดดับนันแหนะ ท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านพบใจซึ่งมีความไม่เกิดไม่ดับไม่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยแต่จิตใจนั้นเนี่ยที่ปรากฏอยู่ภายในใจนั้นเนี่ยที่ปรากฏอาการทั้งหลาย เ, ยเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงส่วนใจนั้น เป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยแล้วเนี่ยปอพินอนัตตะรคาร า, าสูตรปัญจวกีตังหะกบุลุอรหรันเพราะสิ้นความยึดหลงยึดมั่นถือมั่นสิ้นภูตเวยสังขารทั้งมวลก็พบว่าอ๋อมีอีกสิ่งหนึ่งในในจิตใจของเราในร่างกายของเราเนี่ยที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่นนั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้ชื่อเรียกของเขาเยอะมากเรียกว่าพุท ธ, ธะก็ได้ เรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าจิตดังเดิมแท้ๆก็ได้เรียกว่าธรรมธาตุลงตามมหาบูเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจในหนังพุทเจ้ามหาสัสดาโลกเรียกว่าพุทธะหรือเรียกว่านิพพานธาตุหรือสุญญาตาธาตุนั่นไะ สังเกตให้ดีๆฮะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจะเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้ในความที่สงบใจอยู่เงียบๆไม่ได้ว่าไปทําให้กิริยาการของจิตมันนิ่งแต่มีความสงบใจสังเกตอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวเงียบๆสังเกตเออเห็นความจริงของนี้ว่าภายในจิตใจเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ตาม ไม่ว่าจะมีอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามไม่ว่าจะมีอาการเว่อว่เหมือนคนเป็นโรคไวทองก็ตามไม่ว่าจะมีอาการยังไงก็ตามแต่ภายในใจกับเป็นความไม่ปรากฏอาการใดๆเลยมันมีอยู่อย่างนี้คู่กันตลอดตลอดเวลาอาจจะกล่าวได้ว่าเรานนเนั่นแน่คือใจที่ไม่ปรากฏอาการใดๆเลย เราไม่ได้ไมถึงร่างกายเราที่เป็นกายเนื้อนี้และเราไม่ได้ถึงหมายถึงตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นี้เราที่เป็นร่างกายเนื้อนี้ที่นั่งอยู่นี่และตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แล้วตรองตามที่เราพูดนี้สิ่งนี้เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงแต่ใจของเราหรือจิตดังเดิมแต้แท้ก็อยู่ในร่างกายที่ปรงแต่งนี้อยู่ในตัวเราที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ปรงแต่งนี้ เราสังเกตดีๆเราก็จะจะเห็นได้พบได้นะเมธีพอฟังอย่างนี้ผมจะเข้าใจไหมเหมือนเป็นผู้เฝ้าดูเฉยๆไหมมันจะรู้สึกกระเพื่อมไงครับอ่อยมันคอยดูครับแน่ถูกต้องแล้วแรกผมเข้าใจว่ามันต้องนิ่นี่สั่งวันหนึ่งที่เราทำงานมัน รับอะไรมาเยอะบางทีกว่ามันจะนิ่งมันก็นั่งเป็นบางวันก็ไม่นิ่งก็เลยเข้าใจเลยมันดูมันเฉยเฉยไม่ต้องไปไม่ต้องไปบีดไปบังคับมันว่ามันต้องนิ่งอย่างนี้เพราะมันนิ่งเดี๋ยวตัวมันก็ไม่นิ่งเพราะความนิ่งมันปรากฏเป็นอาการความไม่นิ่งก็ปรากฏเป็นอาการไม่ต้องไปข่มมันใช่ไหมครับใช่เพราะว่าความนิ่งก็เป็นอาการความไม่นิ่งก็ปรากฏเป็นอาการแต่ความนิ่งและไม่นิ่ง มันปรากฏอยู่ในใจที่ไม่ปรากฏอาการให้เหนือนั่นคือปีคือไม่มีผู้มามายึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้มาลองรับไม่มีผู้มาสเสมยใจมันนิ่งหรือไม่นิ่งแม้จะสงบก็ไม่มีผู้มายึดไม่มีผู้มาสเสวยที่หลวงปูท่ท่านว่าหลวงปู่ศาท่านว่าจิตมันฟุ้งซ่านก็เอาไม่ฟุ้งซ่านก็เอาเอามาทางงั้ง น, นั้นแหละแค่น้นใจก็ว่างเปล่าไปเลยเข้าใจอหะ เข้าใจครับเออปฏิบัติให้มันได้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็อยู่ที่เนี่ยก็สังเกตมันอยู่งี้เงี้ยอย่าไปทําอะไรให้มันนิ่งให้มันรู้แต่ความจริงอย่างเงี้ว่าจิตใจที่มีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามมีใจที่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆไม่ปรากฏกริยาการใดๆตัวเรานี่เนี่ยที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่ตลอดเวลา แต่มีใจเราที่มันไม่มีความรู้สึกหกือิดอารมณอ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันสังเกตได้เห็นตรงนี้แล้วจะมีคุณอ น, นันเรานั่นแน่คือความที่ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยหรือเรียกว่าเราแต่ดั้งเดิมแท้ๆหรือเรียกว่าจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆหรือเรียกว่าสุญญาตาธาตุนิพพานธาตุธรรมธาตุก็ได้หรือเรียกว่าพุท ธ, ธะ นั่นแน่คือเราดั้งเดิมแชร์ส่วนกายเนื้อเนี่ยร่างกายเนื้อตัวเราเนี่ยซึ่งมีความรู้สึกเมืกินนมเขาเรียกว่าเป็นตัวสมมุติเอ็ดได้จึงเรียกว่าเป็นตัวสมมุติเราเพราะว่าร่างกายนี้มันค่อยๆแก่ขึ้นไปทุกวันแต่แก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันแล้วที่สุดมันก็หายใจเฮือกเฮือกยาวๆสองครั้งสามครั้งก็งเงียบนิ่งไปคือตาย แลไ้ไอ้ร่างกายที่ตายก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกในคิดอารมณ์ได้เพราะว่าไอ้ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุดั้งเดิมเนี่ยมันออกจากร่างไปแล้วมันออกจากร่างไปไอ้ร่างกายมันก็เลยตายเพราะว่าไอ้วิญญาณเนี่ยวิญญาณที่เป็นวิญญาณนี่ไม่ได้แปลว่าผีนะวิญญาณแต่ว่ า, ารู้ธาตุรู้หรือที่ผ่านธาตุแต่มันรู้หลงน่ง มันรู้หลงคือมันรู้แล้วมันมันออกไปมันเอาไอ้ตัวที่ไอ้ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อนี่ยเป็นตัวเรามันไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นรู้หรือเป็นวิชาติแท้ดั้งเดิมที่ไม่ปรากฏอาการเคลื่อนไหวแต่ไปเอาตัวเราเนี่ยที่ปรุงแต่งแล้วไปเอาตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นตัวเรามันไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวสมมุติเดี๋ยวก็แตกดับไปแล้วไอ้ร่างกายที่มันดับไปมันก็คิดนึกไม่ได้และไอ้ตัวที่จิตที่ปรุงแต่งออกไป มันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะไอ้ร่างกายเนี่ยรูปพุทธเจ้ากระตัดว่ารู ป, ปังอนิจจังเรู ป, ปังอนัตตารูปไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวเรารูปไม่ใช่ตัว ต, วตนของเราตอนนี้ในรูปเนี่ยมันก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันก็มีความรู้สึกมึกคิดอารมณ์ได้ดงนั้นมันก็จะมีกายหนึ่ง กายที่เป็นนามกายเมื่อกี้รู ป, ปกายแล้วก็มาเป็นนามกายนามกายก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เป็นนามกายมันก็ยังมีอีกพระเจ้าตรัสว่าเวทนาเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาความจําได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยง สังขารความคิดอารมณ์ปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงวิญญาณซึ่งเป็นการรับรู้ทางตาหูจมูกจิตใจก็เป็นของไม่เที่ยงวิญ ญ, ญมมาณสังขง second, ์เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงที่ปรากฏขึ้นมารับรู้ต่างๆจะูจมนกายใจแล้วก็ดับไปแล้วก็ไปรับรู้อันใหม่เกิดขึ้นเป็นของไม่เที่ยงเวทนาอนัตตาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราสัญญาอนัตตาความจําได้ไหมายรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา สังขารอนัตตาสังขารคือความคิดบงแต่งอารมณ์ต่างๆนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวิญญาณังอนัตตาวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา พระพุทธจ้าตัดกับปัญญาคิดว่าห้าว่าควรหรือเธอจะไปหลงยึดเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสมมุติชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปหมดสิ่งทำไมเธอจะไปหลงยึดเอาสิ่งที่มันเป็นสมมุติชั่วคราวแล้วมันจะแตกดับไปหมดสิ่งคนส่วนใหญ่ก็มีอายุไม่ถึงร้อยปีที่สุดก็ดับไปหมดสิ่งคนที่อายุเลยเกินร้อยปีมีน้อยนะ ส่วนส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงร้อยปีก็แตกดับไปหมดสิ้นรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับไปหมดสิ้นคั้วเหลือที่เธอจะไปหลงจิตมั่นถือมั่นเอาลูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแนั้นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ปล่อยวางความหลงจิตมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือร่างกายซึ่งเป็นกายหยาบนี่แล้วก็นามากาย ปล่อยวางรูปนามกายคือกายหยาบเรานี้ที่นั่งอกันนี้และปล่อยวางนามกายคือตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญารที่เป็นนามกายเนี่ยปล่อยวางนามกายจะสิ้นปล่อยวางทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญารไม่เข้าไปหลงยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตนของเราพอปล่อยวางแค่นั้นเนี่ยสิ่งที่อีกด้านหนึ่งมันก็เกิดมาเลยคือว่า อ, อ๋อมันมีความไม่เกิดไม่ดับอย่ีกนี่พอสิ้นผู้หลงยึดมัน่นถือมั่นนั่นแหละในความปรุงแต่งเกิด <Lil ith> เกดิดดับดับนั่นแหะมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันคือจิตดั่งเดิมแทบบ้ๆหรือใจดั่งเดิมแท้ <S <S <S ๆซึ่งมันไม่เกิดไม่ดับด้วยพอสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นนี่แน่แนะในเที่ยววิธีนั้นมันก็จะเห็นว่าโอ้อมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับด้วยสิ่งนั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้จะเรียกว่าจิตดั่งเดิมแทบบแบบ้ๆ เรียกว่าพุท ธ, ธะเรียกว่าสุญญตาธาตุเรียกว่าธรรมธาตุหรือจะเรียกว่ากายพุท ธ, ธะก็ได้แต่ไม่มีกายหรอกไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปร่างหรือจะเรียกว่ารู้หรือผู้รู้ก็ได้แต่ไม่มีตัวตนของผู้รู้นะไม่มีนั่นแหละเราเนี่ยแต่ดั้งเดิมแท้เนี่ยคือความที่ไม่ปรากฏอะไรเลยนะั่นแหละมีแต่รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่ปรากฏอะไรเลย ความที่เราไม่ปรากฏอะไรเลยนั่นแหละจึงไม่มีผู้ไปยึดบ้านถือบ้านสิ่งใดได้เพราะเราคือความเหมือนกับเป็นอากาศที่อยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าที่อยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยความว่างเปล่าที่อยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยมันเอาไปยึดอะไรไม่ได้ความว่างเปล่าที่อยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยมันไม่ปรากฏอะไรเลยสิ่งใดที่ปรากฏในความว่างเปล่าไม่ใช่เปรียบเหมือนสิ่งใดที่ปรากฏในความว่างเปล่าไม่ใช่ใจหรือไม่ใช่จิตดั้งเดิมแท้ๆไม่ใช่สุญญตาธาต ไม่ใช่นิพพานท่านเราเน่ยแน่คือสิ่งที่เหมือนกับความว่างเปล่าที่อยู่ต่อหน้าท่านที่ไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ต่อหน้าท่านเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏเต็มไปหมดเลยมีมีมีตัวหลงตาบนโต๊ะนี่ก็มีของวางอยู่เต็มไปหมดเลยมีเก้าอี้หน้ามีพัดลมเป่ามีอาคารศาลาแล้วยังมีอะไรอีกมากมายที่ท่านเห็นเนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในอะไรล่ะมันมีอยู่ในความไม่มี ไม่ปรากฏอะไรคือความไม่มีอะไรคือความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลนี้เราแท้ๆนั่นนี่ยคือความไม่ปรากฏอะไรเลยดังนั้นจึงไม่มีผู้ไปจับและไม่มีผู้ไปปล่อยไม่มีผู้พยายามไปปล่อยอะไรและมีมีผู้ไปจับอะไรเพราะใจหรือจิตด่างเดิมแท้ๆเป็นความไม่ปรากฏอะไรไม่ปรากฏวิปริกิยาอะไรมันจึงไปจับอะไรไม่ได้ปล่อยอะไรไม่ได้ มันคงแต่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในความในทรามการใจที่ไม่ปรากฏอะไรเลยเพราะเราเนี่ยะเปรียบมันเราเนี่ยแหละคือความที่ไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ความที่ตัวเราที่มีความรู้สึกแนวคิดอารมณ์นั้นเป็นสิ่งสมมุติไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพราะมันเป็นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปแต่เราเนี่ยไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะ เขาจึงกล่าวว่าจิตเดิมแท้เป็นอมตะนิพพานแล้วก็ทําลายไม่ได้ไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายไม่มีข้ออัดทําลายได้หายตัวไปกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรปรากฏจกลับไปสู่ความว่างเปล่าพอสาวกทั้งหลายถึงถุนถามพุทธเจ้าว่าจิตหรือวิญญาณดั้งเดิมแท้ของพุทธเจ้าและพระหลานทั้งหลายที่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเมื่อขันห้าหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับแล้ว เป็นยังไงพร้เจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนไฟสิ้นเชือ้อเปลวไฟที่สิ้นเชือ้อหรือเหมือนเ ป, เปลวไฟที่ถูกเป่าดับพึบหายไปนั่นแหละหายไปอย่างนี้เลยเหมือนกับเปลวไฟเทียนที่ถูกจุดจุดตัวหน้าแล้วดับหายไปเหมือ น, นทุกขณะปัจจุบันเนี่ยจะปรากฏอย่างนี้อยู่ในใจเราตลอดเวลาว่าตัวเราเนี่ยสารพัดจะคิดนึกถึกตงตอนปุงแต่ตลอดเวลา แต่ไม่มีใครมาหลงยึดถือตัวเราเลยคือร่างกายเราก็มีใครมาหลงยึดถือตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตลอดเวลาก็ไม่มีใครมาหลงยึดบ้านถือบ้านถ้าท่านเห็นอย่างเงี้ยท่านจะรู้เลยว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งคือใจที่ว่างเปล่าที่ไม่ปรากฏอะไรเลยนั่นแน่คือเราที่เตรียมพร้อมจะหายตัวไปเมื่อสิ้นอายุไขยัยขาดขันแตกดับเราเนี่ยแน่ ก็จะพร้อมที่จะหายตัวไปหายไปในธรรมชาติในจักรวาลที่ไม่มีตัวตนพวกยมทูตยมภวาลก็มาหาตัวไม่เจอเจ้าการในเวททั้งหลายก็หาตัวไม่เจอเหมือนด่างพระโคติกะสมัยพุทธเจ้าที่เชือดคอตายยมทูตมารออยู่จะไปลงโทษเพราะพระโคติกะเชือทคอตายระหว่าที่เชื้อทคอตายเกิดปองสังเวชได้ไปวางความลงจิตบ้านจิตบ้านบรรลุอลหรหันต์บรรลุพรนิพพาน พอตายปับ๊บจิตหรือวิญญาณทั้งเดินไแตกสิน้นความหลงยึดบัานถือบั่นคือสิ้นอวิชาแล้ว mm. ก็ดับหายไปเหมือนดั่งเปลวไฟที่ตินเชื้อดับพึ้นหายไปจมยมตุตุลโยมวาก็ตามหาไม่เจออ้าวจะเอาวิญญาณของพ่อทวดิกับไปลงโทษหายไปไหนฮะไม่เจอไปไหไม่มีแล้วหายไปแล้วอ้าวทำไมหาไม่เจอบาปกรรมเก่าก็ยังไม่ได้ชำระนี่บาปกรรมใหม่ที่ฆ่าตัวตายจะต้องเอาไปรับโทษอีก อ้าวทำไมหายไปห า, หาจิตวิญญาณของพระโพติกะที่เป็นรูปร่างมันกายโปร่งแสงเนี่ยหาไม่เจอหาไงกัหาไม่เจ อ, เ, จอเพราะว่าหายตัวไปแล้วเลยไปถามพระเจ้าเอาละจิตวิญญาณของพระโคติกะหายไปไหนจิตวิญญาณของพระติโกติกะรู้อรหันต์แล้วจะดับไปเหมือนดังเปลวไฟที่ตินเชื้อหรือเปลวไฟเทียนที่ดับไปนี่พึบหายไปนี่ อ, อย่ามา โยมทุดเลยเสียใจไม่สามารถจับเอาวิญญาณของพระบุตริกาไปลงโทษได้นี่แนยแห่จิงเป็นที่มาของการปฏิบัตินะถ้าใครฟังตรงนี้เข้าใจต้องสังเกตเอนตรงนี้อยู่เงียบๆยังมีผู้ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรร่างกายเราที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันไม่มีใครไปรยึดมั่นถือมั่น ป่อยให้ร่างกายตัวเราเนี้ยคือตัวเราเนี่ยที่มีความรู้สึกเมื ก, กิจอารมณ์มันเป็นตัวสมมุติมันเป็นตัวสมมุติไม่ถึงอายุร้อยปีก็ดับไปแต่เราคือความที่ไม่ปรากฏอะไรเลยมันมีอยู่นั่นคือใจเราไม่เชื่อว่าใจที่เป็นมีตัวตนเราเพียงเราเพียงแต่พูดกันสมมุติเว่านี่คือใจเราหรือเราคือนี้แต่จริงๆตัวเราไม่มีในความไม่มี อะไรปรากฏเนี่ยไม่มีตัวเรามีแต่ความไม่ปรากฏอะไรจึงไม่มีผู้มายึดถือตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดทุกขณะปัจจุบันคงปล่อยให้ตัวเราที่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเกิดเดับดับเกิดขึ้นเองดับไปเองเกิดขึ้นเองดับไปเองเกิดขึ้นเองดับไปเองไม่มีผู้เข้าไปเสวยไม่มีผู้ก็ไปยึดมันถือมันใจก็คงเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรหรือกลายเป็นความหนึ่งเดียวเป็นความว่างเปล่าอันเดียวกับจักรวาลการเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาล ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเนี่ยตั้แต่ยังไม่ตายแล้วแต่จิตมันก็ยังคิดนึกติดตอนปรุงแต่งข้อมันไปจนกว่าจะแตกดับจนกว่ารูปประคันก็จะดับไปจนกว่านามประคันหรือนามากายจะดับไปเมื่อสิ้นอายุขยัยใจหรือจิตตั้งเดิมแท้ๆที่จะหายตัวไปกลับคืนได้เป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเข้าใจไหมอย่างเงี้ยมีอะไรสงสัยไหมไม่ครับ องค์กรว่าไงตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่สงสัยนะครับหลวงตาก็เข้าใจชัดเจนครับ อ, อมันมีมีคราวที่แล้วสองที่ที่แล้วที่มาปฏิบัตินะครับแล้วก็ก็กลับไปเลยจะมีคําถามหลวงตานีอย่งไรครับ อ, อกลับไปสักประมาณสักสองสมวันนะครับ ก, ก็พยายามทําความเพียรแบบที่หลวงตาอให้กันบ้านไว้นะนะครับก็ นันเดินชมกลมทุกวันมันมีวันหนึ่งหลังจากที่กลับไปกลางกลางเดือนนะครับเอ่าอยู่จิตมันก็มันก็ตั้งมั่นขึ้นมาเข้าใจไว้งานนั่นนะครับแล้วก็ปิติมันก็กเกิดขึ้นปิติก็เกิดทั่วตัวนี่นะครับก็ก็จริงๆมันก็เคยเกิดขึ้นเรื่อยๆครับปิติเกิดแล้วก็แล้วก็ดับไปธรรมดาเราก็ดูไปแต่คราวนี้เอ่อมันเกิดต่อเนื่องประมาณสัก เดินมาได้สักครึ่งชั่วโมงเขาก็เกิดของเขายาวนี้นะฮะจากการที่ก็พยายามยีน า, าร่างกายที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาอาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปก็พิจารณาเรื่องร่างกายที่ว่าเอาพอมันตายไปแล้วมันนอนแห้งอยู่เนะี่ยมันก็มีธรรมชาติก็ทำหน้าที่เขานะครับมีนอนมากขึ้นก็เน่าเปื่อยผุพังไปเรื่อย ถึงกระตั้งถึงมันเป็นกระดูกแล้วก็ถุยผงแล้วก็หายไปกับธรรมชาติเนี่ยความตั้งมั่นผลิตตรงนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็อปิติกอเกิดทั่วตัวยาวต่อเนื่องประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับระหว่างนั้นมันก็มีอธรรมะผุดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็คือเห็นความแตกต่างระหว่างธรรมชาติที่มันปรุงแต่งกับความไม่ปรุงแต่งที่มันแยกกันอยู่เอมันมีมันมันมีผุดขึ้นมาคล้ายๆกับ สังขารท so ี่เขาเป็นเขาอยู่อย่างนั้นเขาปรุงแต่งเขาอยู่อย่างนั้นพอไม่ปรุงแต่งเขาก็แยกเขาอยู่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเลยเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นปรุงแต่งถ้าเราไม่มีการให้ค่าถ้าค่ามันไม่เกิดขึ้นเขาขึ้นเขาก็ตั้งมั่นแล้วเขาก็ดับไปเป็นธรรมดาเราก็เป็นแต่เพียงผู้ดูผู้รู้แล้วก็เห็นธรรมชาติเขาเกิดดับไปมันก็ตั้งมั่นอยู่อย่างเนี้ยครับก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เลิกเดินก็มันก็ยังตั้งมั่นอยู่เอความชัดเจนของ ของความรู้นะมันก็มันก็ต่อเนื่องมันมันเหมือนเชื่อมกันข้งนอกข้างในครับหลวงตาก็มานั่งคุยกับเต้ยต่อนั่งคุยกันก็ก็ความรู้สึกว่ามันก็ยังมันยังเหมือนเดิมมันทรงอยู่ไงนะครับทรงอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็เลยบอกเต้ยว่าเดี๋ยวจะลองไปเดินดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็เดินได้เดินต่อยครึ่งชั่วโมงคะับเกินต่อยครึ่งชั่วโมงเขาก็ตั้งมั่นเขาอยู่งนั้นแล้วก็เออมันจะมีสังขารที่มันปรุงไปว่าจะปรุงคิด เราก็เห็นว่ามันมีเริ่มมันมีความปรุงคิดพอปรุงคิดเสร็จมันก็มีตัวหนึ่งก็มันก็ตีตีค่าไปว่าจิตเอสังขารปรุงแต่งก็ขันห้างเขาปรุงแต่งก็แค่รู้เขก็ปรุงเขาก็ดับปรุงเขาดับเพราะมันมันไม่มันเหมือนเป็นปัจจุบันแต่ว่ามันตรงไม่ขึ้นนั่นเองครับก็ก็เห็นแค่นั้นนะครับเห็นต่อไปแล้วก็จากนั้นก็ก็เป็นอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากที่เดินเสร็จก็อีกสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงอีกสักสิบนาทีมันก็ ดับเป็นปกติครับมันเหมือนก็มีมีล่างมีมีอีกอีกกรอบกรอบอีกอันหนึ่งปรากฏขึ้นมาอยู่ระหว่างนั้นนะครับความเป็นปิติที่ที่มันต่อเนื่องประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็ก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็แต่ละวันที่เดินก็เวลาเริ่มพิจารณาถึงแค่เห็นแค่กระดูกเนี่ยก็จะขึ้นใหม่ละมันก็จะเป็นปิติขึ้นมาให ม, ใหม่แล้วก็ทรงอยู่นั้นสักพักแล้วก็หายไป ครับเราก็เดินไปทําหน้าที่ของเราไปก็เห็นแค่ว่าธรรมชาติเขาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปปกติของเขาครับก็ให้เห็นอย่างงั้นนะให้ชัดเจนนะครับผมไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่มีผู้ประยึดไม่มีผู้ไปเสวยนะส่วน <c oughs> ที่ปรุงแตง่งก็คงปรุงแต่งส่วนที่ไม่ปรุงแ ต, งต่งก็คงไม่ปงแตง่งเออใอ้เห็นอย่างเงี้ยก็เห็นอย่างนี้มาดีมากแล้วล่ะแต่ในส่วนที่ละเอียดจะยังไม่เห็น คือขณะที่เราเนี่ยหลง อ, อตัวเราไปปรุงแต่งไปวิเคราะห์วิจารวิจัยไปดิน้นนไปค้นหาไปพยายามไปติดต ong ไปไท้ควครว่าอะไรเป็นอะไรไอ้ตัวเนี้ยเราไม่เห็นนะมันเราไม่เห็นว่ามันเป็นปรุงแต่งแต่เราเนี่ยหลงไปเป็นตัวปรุงแต่งไอ้ตัวความปรุงแต่งละเอียดละเอียดเนี่ยประกอบยังไม่เห็นครับผม แล้วเราก็เมื own, ign, outlook, ่อเราไม่เห็นเราก็จะเป็นตัววิเคราะห์วิจารณวิจัยตึกตองตัวปรุงตัวแต่งตัวคิดตัวนึกตัวตึกตัวตองวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่นั่นแหละดิ้นหลนค้นหาพยายามทําความเข้าใจตามไปตองตามไปเรากลายเป็นตัวปรุงแต่งนั่นเลยเราเนี่ยต้องเห็นเห็นตัวเนี้ยเมื่อเราเห็นเทแล้วเนี่ยเมื่อรู้เมื่อเห็นเทแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวไม่หลงไปเป็นตัวปรุงแต่งจะเป็นรู้ไอ้รู้เนี่ยมันเป็นวิสังขาร แต่ตัวปุงแต่งเนี่ยเึงบอกแล้วว่ามันเป็นสังขารคือมันชื่อมันปุงแต่งสังขารแปลว่าปรุงแต่งคือไอตัวที่คิดที่นึกที่ติดติดตองที่ดิ้นรนที่ค้นหาตัววิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวปรุงแต่งเมื่อเราเห็นเราเรู้ตัวทานตัวนี้ซะแล้วเราก็จะเป็นตัวรู้ไอรู้เนี่ยมันไม่ปรุงแต่งมันปรากฏอะไรเลยนี่พอเข้าใจไหยเข้าใจครับนี่ถ้าเราไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยปรุงแต่งดิ้นรนค้นหา ต 2, เึเ ล, เล็ก<ล>ๆน่อยุยยุ่มยิมยุ่มยิมยุ่มยิมิมมีคอมีจานมีใจเรก็รู้เห็นแล้วก็เออเเรารู้แล้วเรารู้แลเออเอออย่างนี้อย่างงี้อย่างงั้นอย่างงี้นะแล้วเรากลับมาคุยกับเต้ยไอตัวเนี้ยไอตอนที่เรารู้เรารู้เราู้เรื่เราเอาความรู้ความเห็นเนีมาคุยกับเต้ยอ๋อไอตัวเนี้ยไ อ, ต, อตัวนี้เป็นตัวปรุงแตง่งครับเออไม่ว่ามันจะรู้มันจะเห็นจะกระใจเรื่อเลื่ประเสริฐไงก็ตามเออเป็นตัวปรุงแต่งครับก็ได้แต่รู้เห็นว่าเออในความปรุงแต่งมีตัวไม่ปรุงแตงครับ เออหรือในระหว่างที่มีความไม่ปรุงแต่งไอตัวไม่ปรุงแต่งเนี่ยก็มีตัวปรุงแต่งอยู่ไอ้ตัวปรุงแต่งกับตัวไม่ปรุงแต่งอ่ะมันเหมือนคนเราส่วนกันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวกันครับอืครับแต่ประดี๋ยวเราไม่เห็นในตัวที่ปรุงแต่งละเอียดเราเลยกลายเป็นหลงไปเป็นตัวปรุงแต่งเลยเราไม่เห็นตัวไม่ปรุงแต่งครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเอเมื่อเราเนี่ยไม่เห็นตัวปรุงแต่งละเอียดวิเคราะห์วิจารณวิจัยติดตองใไขควรค้นหาเหตุหาผล เออใช่ใชอย่างงี้เออใช่ด้วยอย่างนี้วะเออดีอย่างนั้นด้วยอย่างนี้พอเราไม่เห็นในตัวเนี้ยทะเลหลงก็เป็นตัวปรุงแต่งเราเลยไม่เห็นในความไม่ปรุงแต่งเพราะว่าในความปรุงแต่งนั้นมีความไม่ปรุงแต่งที่เป็นครับเหมือนกับเป็นอวกาศเหมือนกับเป็นความว่างขงจักรวาลเนี่ยแหละแต่ความปรุงแต่งเนี่ยมันคือทุกอย่างนอกจากความไม่มีอะไรเหมือนกับความว่างจักรวาลแล้วนอกนั้นเป็นปรุงแต่งทั้งหมดมันไม่มีใครมายึดบ้านถือบ้านนั้นในตัวเราที่คิดอยู่เนี่ย ตัวเราที่ติกตองเนี่ยไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงเลยเพราะว่าเรากลายเป็นตัวที่ไม่ปรุงแต่งเสแล้วเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ตัวเราที่ติกตองเป็นความปรุงแต่งตลอดมันเลยไม่มีใครมายึดมันถือมั่นในตัวเราพูดตึกตองเพรไม่มีใครมายึดมั่นตัวเราพูดตึกตองพอตายแล้วก็ดับหมดไอตัวกายเนื้อก็ดับไอนามกายก็ดับไอตัวที่นามกายมันกลายปรงแสงที่กระเด็นออกมาเนี่ยก็ <mm <ains> surgeon, ดับไปเหมือนกันดังเมื่อเราไม่เห็นเนี่ยไอความปรุงแต่งละเอียดละเอียดเนี่ยบังคับงประการจะมีความเพลิน มีความหลงเพลินไปได้เพราะว่าเราไม่เห็นกตัวปรุงละเอียดอันนี้ก็เป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติธรรมนะแล้วเราก็มาเห็นให้ละเอียดตรงนี้เนะี่ยถ้าเราเนี่ยไปเห็นไอ้ความปรุงละเอียดเนี่ยมันก็จะสิ้นความเพลินได้เพราะว่าความเพลินหรือน้ำทิเนี่ยมันเป็นต้นเหตุมันเป็นตัวเหตุตัวต้นเหตุเป็นสาเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดตัณหามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาคือความที่หลนทยานอยาก อปรุงแต่งไปตามอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากบรรลุอันนี้ไอ้ไอตัวเพลินใจเนี่ยหลงตัวนี้ก็เลยปรุงไปเป็นความอยากได้เพราะตัวความเพลินหลงคิดหลงปรุงแต่งไปไอ้เพลินนี่อะไรก็คือหลงคิดหลงปรุงแต่งเราเราไม่เห็นนี่เนี่ยมันเลยไปเป็นต้นเหตุของตัณหาไปเป็นอุปทานปัญหาเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปจัจจัยเกิดภพชาติคือการมีพบมีชาติมีการเกิด เกิดภพเกิดชาติอยู่ในใจแล้วเตรียมที่จะไปตายแล้วเตรียมที่ไปเกิดนภพบชาติเป็นไปใจให้เกิดชร า, ามรณะโสกาวลิเทวะทุกขะโทมานุปายาสะทุกตกเศร้าเสียใจขับแกนใจและเกิดการเหลียนไหวตายเกิดดีนั้นต้องเห็นตัวปุงแต่งที่ละเอียดละเอียดใน ใ, นใจตนมันจะได้สิ้นความหลงพอสิ้นความหลงแล้วอวิชชาก็ดับอวิชชามันดับพบกก็ดับหมดเลยแล้วตะวนรูบบน้ใจเนาะ ครับผมไม่ปฏิบัติมาได้ได้ชัดเจนแบบมันได้ดีมากแล้วแหละเรื่องของละเอียดละเอียดละเอียดนี่มันมันเห็นเงาเหมือนที่หลวงตาว่าเนี่ยนะที่มันลงไปแว๊บแว๊บเนี่ครับนั่นแหละแต่ไม่มีใครไปทําลายมันนะครับแต่แต่เห็นไอ้ตัแวแวบแวบวไม่มีใครมาเสวยครับผมมันมีอันนึงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลจากตัวนี้หรือเปล่าคือว่าเออเวลาเห็นไอ้ความรู้สึกของร่างกายเช่น ที่ไปทําฟันนะครับล่าสุดไปทำฟันปกติมันก็ไม่เห็นชัดนี้แต่มันเห็นความความเจ็บของของความปวดมันเป็นอีกก้อนที่มันชัดชัดกว่าปกติที่เคยเคยเห็นนะครับคือมันก็แยกกันอยู่คือมันกายก็กายไอความปวดความเจ็บมันอีกก้อนแต่ถูกต้องมันคือกายมันก็ส่วนกายเวทนาก็เวทนาครับมันคือนามากายไอส่วนเวทนาเนี่ยความเจ็บความปวดความสุขความทุกข์แล้วก็ สัญญาคือความจําได้ไม่รู้แล้วก็สังขารคือความคิดปรุงปรุงคิดเนี่ยและอารมณ์ต่างๆเนี่ยรวมทั้งวิญญาณคือการรับรู้่างๆงงาหูจงูกลิ้กใจมันเป็นคนละตัวกันกับนามเป็นรู ป, ปรกายครับมันเป็นนามกายครับแต่เนี่ยตั้งต่ยังเห็นว่าประการ น, นี่ ยังเอาไว้ตัวเราเนี่ยตัวผู้เข้าใจได้เป็นตัวเราองประกอบเนี่ยอยู่ตต่หน้าเราเนี่ยเอาตัวผู้เข้าใจเป็นตัวเรานั้นเนี่ยโอตัวผู้ผู้ทาเป็นทำตัวเข้าใจมากเลยเข้าใจชัดเจนมากผมเข้าใจชัดเจนมากผมก็้าใจชัดเจนมากไอ้ตัวนี้เอาเป็นตัวเราจริงจริงนะไม่เห็นว่าเป็นตัวปรุงแต่งนะเนี่ยต้องเห็นให้ทันทอทันตัวนี้เลยใช่ไ้มครับตรงนัใช่ใช่เนื่องจากตัวใหญ่ตัวตัวสังขารทั้งตัวต้องปล่อยวางหมดนะครับคือสังขารทั้งหมดเนี่ยที่มันปรุงได้แม้แต่ตัวผู้เข้าใจแล้วเข้าใจได้ตัวนี้ก็สังขาร ต้ปล่อยว่าหมดแต่วิสังขารเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้แต่ความเข้าใจก็ไม่แั้แต่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่ติดผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจเอออย่างนี้เหรอเออนี่ตัวที่ติดต่อไม่ปรากฏเลยไม่มีปรากฏเลยแต่อัรู้เนี่ยมันจะไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มันก็รู้ว่าเนี่ยสังขารทั้งมวลไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นมันรู้นะมันรู้ว่าสังขารทั้งมวลเนี่ยไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นมันรู้อย่างนี้แล้ไอ้รู้ที่ว่าสังขารทั้งมวลหรือทุกสรรพสิ่งอ่ะ ไม่มีใครยึดบ้านถือบ้านเลยหรือสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านแล้วไอ้รู้เนี่ยมันเป็นอมตะไม่มีวันตายแม้แต่นิพพานแล้วก็ทำลายมันไม่ได้มันหายตัวไปไอ้รู้ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวเราที่ขเาขเาใจาขเขาใจเขาจอย่าี้อย่างนี้เดีต้องคุยกับเต้บอกว่าอย่างวุ่นอย่างนี้อย่างนอย่างนี้โ อ, อเราเข้าใจอย่างนั้นอย่างงี้ตอนนี้ก็ยังรู้เล ย, เลยนะว่าอืม มันมีตัวตึกตึกตึกตึกตึ ก, ก, ก, กั่นชัดมากเลยเอาเนี่ชัดมากชัดมากแล้วก็มั่นใจไ bon อ้ตัวมั่นใจว่าเดินทางถูกต้องแล้วมั่นใจมั่นใจไอ้ตัวนี้ก็สังขารนะตัวสังขารแต่เราไม่จะไปทําลายมันไม่เห็นอย่างนี้แนะและเห็นมันว่าไอ้ตัวนี้มีอยู่ทุกขนาดแต่ไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปสเสวยไม่มีใครไปยึดมันเลยกลายเป็นพอสิ้นผู้ผู้ไปยึตสังขารทั้งมวลมันก็เลยกลายเป็นใจที่ไม่ปรากฏอะไรเลยแต่สังขารก็มีอยู่ แต่ก็ไม่ยุ่งเลยอย่างร้อยตัวแต่ใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือความไม่มีอะไรปรากฏแต่ไอ้ไอ้จิตที่ป้องแต่งที่เราพูดเมื่อกี้กลายเป็นเป็นตัวร้อยตัวมันเลยกลายเป็นว่าคนละส่วนกันมันไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเนี่ยอ๋อมันคนละส่วนกันเหมือนน้ากับน้ํามันอะ่ะพอเราใส่พะเทรวมกันแล้วเอามันลอยมันคนละส่วนกันมันแยกส่วนให้เห็นชัดเจนพอสิ้นความหลงยึดบ้านเอาสังขารเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา เราเราเรารู hey, level, level, level ้ว oh, ่ามาเที่ยวนี oh ้ชัดเจนมากขึ้นเลยมาสองสมครั้งเดินชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆโอ้ใช่ช่ชมันรู้เลยมั่นใจว่ามันจะพ้นทุกได้ดีเหตุนี้เนี่ยมันรู้เลยว่ากล้าจะพ้นทุกแล้วจะพ้นทุกได้เหตุนี้เนี่ยมันรู้ด้วยซ้ําเนยนะไอ้รู้เนี่ยมันรู้มากเลยแล้วสุดอน่ยมันก็รู้ว่าอ๋อตรงตาพูดรบอ๋อมันยังหลงตัวนี้จริงๆมันยังหลงเอาไอตัวผู้ ผู้ผู้ผู้รู้ผู้เห็นผู้วิเคราะห์ผู้เข้าใจโอ้ใช่ใช่ใช่ตัวนี้เงี้ยเงีงมันจะผลแล้วมันจะเอออย่างเนี้ยใช้แน่เลยทานเช่นเนี้ยมันต้องเป็นงนี้แน่นอนนะแต่ก็เห็นมันมันลอยตัวอย่างปอิสระแต่ใต้เหมือนกับใต้มันเนี่ยคือความไม่มีอะไรเลยคือความว่างเปล่าอ๋อเลยไอตัวที่บนงูงิงงูงิงงูงิงูงูเนี่ยเลกลายเป็นตัวลอยตัวที่เป็นอิสระ แต่ใต้มันกลับเป็นเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอ้าวมันจะมีอีกชั้นหนึ่งหรอเ่าเนี่ยเลยปล่อยให้ตัวนี้ไอ้ตัวเราที่บนงุงิ้ยบนงูงี้ยบนงูงีงเงี้ยมันนี่มใครไปลองรับไม่มีอะไรเลยนอะทํางี้เข้าใจอย่างี้นะอยู่นี่แหละมองเห็นอย่างเงี้ยชัดอันนี้เดินเดินทางนี้ได้ของประกอร์เนี่ยเพราะชัดเจนมากเลย เดินทางนี้ได้อย่างมั่นใจมั่นคงเราก็จะพ้นทุกไปได้เหตุ น, นี้ไนงะอุปกรณ์ที่ได้ต่อเนื่องเนะาะตาตูตาตูไอ้รู้ตามยนตามไม่รู้จริงรู้แจ้งไอ้เราจะทําความจริงก่อนไอ้เรจะทำรู้แจ้งไอ้เราจะทำความจริ ง, ข อ, รร ง, รงของกายกับจิตพ้นทุกได้หมดเลยอ่าไปปฏิบัติกันเข้านะ ทุกคนก็เข้าใจกันหมดแล้วไปทำความเพียรอากาศดีมากเลยไม่ร้อนไม่หนาวยุงก็ไม่มีพุโทโตธรมโมสังโฆพุโทโตธรมโมสังโฆพุทโตธรมโมสังโฆคนทุกคนทุ ก, ทกให้รู้ตามเห็นธรรมด้วยกัน